ปุเรชาตปัจจัยเจสภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณั์จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษุ ฟังเสียงด้วยที่ประโสงคทาตัรูปายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธพายตนะและถึงวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายตนะและถึงหาไทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่วิปยุจยาวูปาทานและโลภะโดยปุเรชาตะปัจจัย สภาวธรรมที่วิปิวจักอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุทธิอุปาทานโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณ์ปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตอารามณ์ปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลื่อเพลินจากสุขหาไทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพลื่อเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่ หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุดด้วยอุปาทานโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจกอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจกอุปาทานโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรารมาณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมาณปุเรชาตะได้แก่เพ ร, ราะปราลบจากสุหาไทยวัตถุ ขันธ์ที่โสหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปิวิจักติทิและโลภะจึงเกิดขึ้นวัตถุปรเรชาตะได้แก่ภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจักติทิและโลภะโดยปรเร ช, ชาตะปัจจัยปะช้าชาตะปัจจัยและอาเสวนปัจจัยแปสภาวะธรรมที่จำปัจจุบันด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่วิปิยุจักอุปาทาน โดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อเป็นปัจจัยโดยอาเสวณะปัจจัย กรรมปัจจัยหรือปากะปัจจัยแปดสิบเอ็ดสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สัมปยุทธขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุทธกอุปาทานโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่าง สหาชาตะและนาน า, นาคณิกะสหาชาตะได้แก่เจาตานาที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมะปัจจัยเจาตานาที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธิจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุทฐานนรูปโดยกรรมะปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทาน เป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นวิปากและกระตัาตารูปโดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและที่วิปยุทธ์จักอุปาทานโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธข็งขันและจิตตสโมฐานรูปโดยกรรมะปัจจัยเจตนาที่สโรโคด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธ์จากทิฐิ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขัน์โลภะและจิตตาสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย 82. สภาวธรรมที่วิปิวจักอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวจากอุปาทานโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและナナานานาคณิกะสหาชาตะได้แก่เจตานาที่วิปิวจักอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตาสมุทฐานรูป โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่วิปิยุจกาอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากแ ล, us. และกระตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ bank. สภาวธรรมที่วิปิยุจกาอุปาทานโดยวิปากกับปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งวิปิยุจกาอุปาทานละถึงมีหนึ่งวาระ อาหารับปัจจัยเป็นต้นแปดสิบสาสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทริย์ปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรคะปัจจัยในปัจจัยทั้งสี่นี้พึงแสดงไว้เหมือนที่แสดงโลภะซึ่งวิปิยุจากทิฏฐิในกรเมปัจจัย มีอย่างละสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตะปัจจัยแปดสิบสสภาวธรรมที่สัมปยุตได้อุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจักอุปาทานโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจชาชาตะย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทาน เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิยุ์จากอุปาทานโดยวิปิยุจจะปัจจัยมีสามอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะและปัจชาชาตะยอ่อสภาวธรรมที่วิปิยุ์จากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุ์จจะอุปาทานโดยวิปิยุจจ์ปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุ كن, เป็นปัจจัยแห่ขันที่สัมปยุ์จจะอุปาทานโดยวิปิยุจจ์ปัจจัย สภาวธรรมที่วิปิวิจากุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานและที่วิปิวิจากุปาทานโดยวิปิยุตตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปจ mm ัจ hmm. จัยแห่ขันที่สหอรักโขดด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจักทิฏฐิและโลภะโดยวิปิยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุติุปาทานและที่วิปิวิจัอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหัวโรคด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยวิปยุจตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่และถึงอธิปัจจัยเป็นต้นแปดส้าสภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุณด้วยอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งว yes. <ü n. S 1> า Eugene, ระเหมือนกับปฏิเจวาระสภาวธรรมที่สัมปยุณด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวจากอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่สัมปยุณด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปะุณด้วยอุปาทาน และที่วิปยุจากอุปาทานโดยอธิปั จ, จัยเหมือนับปฏิจจวาระแปสห 86. สภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานโดยอธิปั จ, จัยมีหอย่างคือสาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะยอ่อสภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทาน โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะยอ่อสภาวธรรมที่วิปิวจักอุปาทานเป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานและที่วิปิวจักอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะในสองปัจจัยนี้สหาชาติตติเหมือนสหาชาตะบุเรชาติตติเหมือนบุเรชาตะแปดิบเจ็ด สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและที่วิปยุทธ์จากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สองสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยโลภะ ซึ่งวิปิวิจักติฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองสภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานและที่วิปิวิจักอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวิจักตอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีหอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะมหาระและอินทรียะสหาชาตะได้แก่ ขันธ <unlucky> ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่โลภะโดยอธิปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยเข่กายนี้เที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจจากทิฏฐิโลภะและโกรยิงกราหานเป็นปัจจัยเข่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะ ซึ่งวิปิยิจักติฐิโลภะและรูปชีวิตินสีเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ส enfin. ัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจากอุปาทานโดยอธิปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองสหชาตะได้แก like ่ขันหนึ่งที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฏฐิและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและโลภะโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองเป็นปัจจัยโดยนถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัย เป็นปัจจัยโดยเอาวิคตะปัจจัย 1. ปัจจยานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนัย88เฮตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอันันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระ นิสยปัจัยมีเก้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอสิวนปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสี่วาระชานะปจจัยมีสี่วาระมรรคปัจัยมีสี่วาระ สัมปยุตตปัจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจใจมีเก้าวาระนัตติปัจใจมีเก้าวาระวิขตะปัจจัยมี9้าวาระอวิขตะปัจจัยมี9้าวาระ 2. ปัญนียุทธาระแปสภาวธรรมที่สัมปยุตยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตยอุปาทานโดยอารมณปัจจัย สหชาติปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานโดยอารมณะปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานและที่วิปยุจจากอุปาทานโดยอารมณปัจจัย สหชาติปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย90สภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานโดยเอรมาณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทาน เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานโดยอารมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปานิเสยาปัจจัยและปุเรชาตตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานและที่วิปิยุจากอุปาทานโดยอารมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปานิเสยปัจจัยและปุเรชาตตปัจจัย91 สภาวธรรมที่สัมปยุทธิโอุปาทานและที่วิปยุทธิจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิโอุปาทานโดยอารมณะปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิโอุปาทานและที่วิปยุทธิจากอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุทธิจากอุปาทานโดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยอุปานิเสยปัจจัยปัจชาชาตาปัจจัย อาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานและที่วิปยุทธกอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานและที่วิปยุทธกอุปาทานโดยอรมณ ป, ป, ป, ป, ปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัย 2. ปัจจยะปัจจเนยะ 2. อสังคยาวาระ92นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ นาอารามณะปัจใจมีเก้าวาระนาอาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจใจและเก้าวาระโนอวิคตปัจใจมีเก้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ9กนาอารามณะปัจจัยกับเพรตุปัจใจมีเก้าวาระนาอธิปติปัจใจมีเก้าวาระนาอนันตระปัจใจมีเก้าวาระนาสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระ นาอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนาอุปาิสีตปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจใจละเก้าวาระนาสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระนาวิปุญตปัจจัยมีหกวาระโนนาติปัจใจมีเก้าวาระโนวิคตะปัจใจมีเก้าวาระ 4. ปัจยยะปัจญิยานุโลมเกสี่ พรรัมณะปัจจัยกับนเหตุถกปัจจัยเมีก้าววาระอธิปติปัจจัยเมีก้าวาจจาวาระพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาและถึงอวิคตะปัจจัยเมีก้าวาระอุปาทานสัมปยุตตะทุกกาจบ ส อ, อุปาทานาอุปาทานิยะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปฏิญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัย9กสห้าสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กรรมุ ป, ปาทานอาศาัยที่ถูกปาทานเกิดขึ้น ที่ถูุปาทานอาศัยคามุปาทานเกิดขึ้นพึงทําเป็นจักรไนสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุจจะขัน์และจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยอุปาทานเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กรรมุปาทานสัมยุตตขัน์และจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยที่ิฏฐปาทานเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักกะไน๙๖สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปที่เป็นภายในสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่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 และถึงอาศัยขันสองเก้าสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจใจได้แก่กรามุปาทานอาศัยที่ถูกปาทานและสัมยุญตะขันเกิดขึ้นพึงทําเป็นจักรไน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 แต่ไม่เป็นอุปาทานและอาศัยที่ถูกปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองพึงทําเป็นจักกนัยโดยในนี้ปฏิจวาระสหชาตวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสัวาระและสัมปยุตตวาระพึงทําเหมือนกับอุปาทานทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันแต่การระบุบุคคลต่างกันเจ2 อุปาทานอุปาทานิยะทุกกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยเกสิปสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะอุปาทานโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอุปาทานได้เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตะสมุทนานรูปโดยเหตุปัจจัยเหมือนกับอุปาทานทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันมีกล่าววาระ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 โดยอรมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานละถึงออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลเพลิเพราะปราศจความยินดีเพลเพลินฌานนั้นราคะทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทจจะโทมนัสจึงเกิดขึ้นพระอริยะพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น บุคคลเห็นแจ้งจากสุมาไทยวัตถุยอ่อเป็นปัจจัยแก่อนาคตตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารมณะปัจจัยยอ่อสองวาระนอกนี้เหมือนกับอุปาทานทุกะ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 เป็นปัจจัยแก่สภาวาธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปฏิและสหาชาตาธิปติอารมนาทิปฏิได้แก่บุคคลให้ทานออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะทิฏฐิจึงเกิดขึ้นพระเสกคะ พิจารณาโพตระภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นและถึงบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานจึงเกิดขึ้น สหาชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจใจอารมนาธิปติปัจจัยและสหาชาตาธิปติปัจจัยแม้ทั้งสองอย่างที่เหลือเหมือนกับอุปาทานทุกะพระทิปติปัจจัยที่เป็นคาตนามีสามวาระเหมือนกับอุปาทานทุกะ ปัจจัยทั้งหมดก็เหมือนกับอุปาทานาทุกกะในสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่มีโลกุตระปัจจ尼ยะและการนับทั้งสองอย่างนอกจากนี้เหมือนกับอุปาทานาทุกกะอุปาทานาอุปาทานิยทุกกะจบเจสอุปาทานาอุปาทานาสัมปยุตตาทุกกะหนึ่งปฏิจัวาระหนึ่งปฏิยานุโลมหนึ่งวิพังควาระ เหตุปัจใจร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่กรามุปาทานอาศัยที่ถูกปาทานเกิดขึ้นพึงทรรเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตปปัจใจได้แก่ สัมปยุติจักรขอาศัยอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุติได้อุปาทานและที่สัมปยุติได้อุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุติได้อุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจได้แก่กามุปาทานและสัมปยุติจักรขันอาศัยทิฏฐปาทานเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักรนายอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุติได้อุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานย่อ การระบุความที่มีข้อแตกต่างกันเหมือนกับอุปาทานทุกะเมงกล้าวาระไม่มีรูปเพิ่งขยายวาระทั้งหมดให้พิสดารอย่างนี้มีเฉพาะอารูปเท่านั้นเจ็ดสิบสาม อุปาทานะอุปาทานะสมปยุตตทุกกะ 7. ปัญหาวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสมปยุตวยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตวยอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตวยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตาอุปาทานโดยเหตุปัจจัย พึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยเหตุปัจจัยเพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์และอุปาทานโดยเหตุตุปัจจัยร้อยสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน โดยเหตุตุปัจได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันโดยเหตุตุปใจเพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะอุปาทานโดยเหตุปัจจัยพื่อ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันและอุปาทานโดยเหตุตุปัจร้อยสี่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 และที mm really? okay market market okay. ่สัมปยุติด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอุปาทานสัมปยคุติอุปาทานและที่สัมปะคุติอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและอุปาทานโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยร้อหสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุติด้วยอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป well. ็นอุปาทานและสัมพยุทธิอุปาทานโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบอุปาทานอุปาทานจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบอุปาทานขันที่สัมพยุทธิอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบอุปาทานอุปาทานและสัมพยุทธขันจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมพยุทธิอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นปัจจัยแ่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่สัมปยุทธิอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานขันที่สัมปยุทธิอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานจึงเกิดขึ้นพึงทําให้เป็นสามวาระในขัตนาก็พึงทําให้เป็นสามวาระด้วยอธิปติปัจจัยร้อหสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธิอุปาทาน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 แม้แต่ทิปฏิปัจจัยที่เป็นฆาตนาก็มีสามวาระอนันตระปัจใจร้อยเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานโดยอนาตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อุปาทานที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยพึงทำเป็นเก้าวาระอย่างนี้ ไม่มี gels, ทั้งอวชนะจิตและวุฒนะสมณันตระปัจจัยเป็นต้นร้อสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธิอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธิอุปาทานโดยสมณันตระปัจใจเมฆ้าวาระเป็นปัจจัยโดยสาชาตปัจใจเมฆ้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญาปัจใจเมฆ้าวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจใจเมฆ้าวาระ อุปาณิเสียปัจจัยร้อสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและจำปยุติด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุติด้วยอุปาทานโดยอุปาณิเสียปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่จำปยุติด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่จำปยุติด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยอุปาณิเสียปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิเส อนันตรูปรานิสยาและประกาศูปนิสยาประกาศูปนิสยาได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุดด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุดด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามวาระแม้แต่ในอุปาณิสยาปัจจัยที่เป็นฆาตนาก็มีสามวาระเป <im> ็นปัจจัยโดยอาเสวณปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยเป็นต้นร้อยสิบ สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอ well ุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยธรรมปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยชาเนปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระ เป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอาวิคตะปัจจัยมีก้าวาระ 1. ปัจจายานุลม 2. สังขยาวาระสุทธนัยสิบเอเุปัจจัยมีก้าวาระอารมณปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระ อนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญยมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาศัยวะนปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระ มัคคปัจจัยมีเก้าวาระสัมำยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนาธิปัจจัยมีเก้าวาระวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสองปัจจนียุทธาระร้สองสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมำยุติด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมำยุติด้วยอุปาทานโดยอารมณปัจจัย สหชาติปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุด้วยอุปาทานและที่สัมปยุด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน โดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาเสสยปัจจัยพึงทำเป็นเก้าวาระแม้อย่างนี้ในมูลแห่งปัจจัยแต่ละปัจจัยมีมูลละสามวาระ 2. ปัจจยะปัจจนียะสองสังคยาวาระร้อยเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าว e. าระโนวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ 3. ปัจจายานุโลมปัจจนิย1ร้อนาอารามณะปัจจัยกะเภรตุปัจจัยมีเก้าวาระนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนาอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระนาสัมเนันตระปัจจัยมีเก้าวาระนาอุปาเนสยาปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระ เนมค้าปัจจัยมีฆาวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีฆาวาระนโนนติปัจจัยมีฆาวาระนโนวิคต ะ, ะปัจจัยมีฆาวาระสปัญญาปัจญญานุโลมร้อยอารมณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีฆาวาระอธิปติปัจจัยมีฆาวาระและถึงพึ่มเพิ่มบทอนุโลมมาติกา อุปาทานะอุปาทานะสัมบัติทุกกะจบเจ็อุปาทานะวิปปิยุตตาอุปาทานิยะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัยร้อยสภาวธรรมที่วิปปยุตแจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัย ส, สภาวธรรมที่วิปปยุตแจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่วิปยุจแจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตะสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่วิปยุจแจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน อาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจใจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่วิปิยุจฉาอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจใจได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่วิปิยุจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่วิปิยุจากอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิปิยุจากอุปาทาน และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปิยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่วิปิยุจจากอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่วิปิยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและอาศัยมาหาภูตรูปเกิดขึ้น เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกกะนี้เหมือนกับโลกิยะทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันอุปาทานวิปยุตตาอุปาทานิยะทุกะกะจบอุปาทานโคกจกกะจบ